เพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายทางวาจาก็กแสดงว่าใจไม่นิ่งใจไม่ตั้งใจฟังพอไม่ตั้งใจฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็จะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้การฟังธรรม เพื่อให้การการบรรลุธรรมจึงจะเป็นต้องมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานรับรองธรรมะที่จะไหลเข้าสู่ใจเหมือนกับการจะเทน้ำให้เข้าไปในแก้วนั้นแก้วจะต้องตั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องหนาขึ้นถ้าแก้วยังเคลื่อนไปเคลื่อนมา หรือแก้วมันคว่ำอยู่เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันเข้าไปในแก้วได้สันใดถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะไม่มีการรับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเมื่อไม่รับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะ ไม่รู้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรได้ยินแิ่เสียงแต่ใจไม่ได้รับเข้าไปไว้ในใจเรียกว่าเข้าหูซ้าออกหูขวาหรืออย่างคำพูดที่พูดไว้ว่าเป็นเหมือนทัพทีในหม้อแกงทัพทีในหม้อแกงก็คือไม่รับรู้รสชาติของแกง ไม่เหมือนลิ้นกับแกงการทำธรรมโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับก็เป็นเหมือนทัพที่ในหม้ อ, อกแกงไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นรสอย่างไรแต่การทำธรรมแบบมีศีลมีสมาธินี้ก็เป็นเหมือนลินกับแกงเพียงสัมผัส หยดเดียวก็จะรู้ว่ารสชาติของแกงนั้นเป็นรสชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดหรือแกงเป็นแกงจืด อ, อร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> ฉันใดการฟังทำนี้ก็เป็นเหมือนกับการริ่มรสแกงถ้าฟังแบบลิ้มกับแกงก็จะได้รับรู้ ้ปอยู่ถ้าฟังแบบชัดทีในม่อกแก่ฟังไปจนวันตายก็จะไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับประโยชอะไรดังนั้นเวลามีการแสดงธรรมใเทศนานั้นในธรรมเนียนของทางาพระป่านี้ยจะดีแต่ความนิ่งสงบ ผู้ฟังนี้จะนั่งด้วยอาการกิริยาที่สงบไม่ขยับขยื่นร่างกายไม่พูดไม่คุยใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสในหูแล้วก็รับรู้เข้าไปในใจการฟังธรรมนี้ก็ฟังได้สองระดับด้วยกันฟังระดับสมาธิ และฟังระดับปัญญาการฟังระดับสมาธิก็คือเวลาฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่แสดงเพราะยังมีภูมิปัญญาไม่ถึงที่จะเข้าใจได้ก็ฟังด้วยการจดจ่อกับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจให้เป็น อารมณ์เย็ดเหนียวจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆฟังอยู่กับเสียงไปเรื่อยๆเสียงธรรมนี้ก็จะปลอบให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาธิแบบเป็นที่คือรวมเป็นอัปปนาแต่ก็จะเป็นสมาธิแบบร ะ, ะงับระดับความฟุ้งซ้าต่างๆได้ เวลาที่มีจิตใจฟุ้งซ่านหรือไม่สบายถ้าฟังเทศฟังธรรมไปแล้วใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูกับใจ<ม>แล้วก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะดั ง, งับความฟุง้งซ่านใจก็จะเข้าสู่วามปกติความสงบได้นี่เรียกว่าการฟัง เพื่อให้เกิดสมาธิสำหรับผู้ที่ยังไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าใจความหมายของธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟัง mm. ก็ฟังเอาเสียงมากล่อใจมาผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ mm. เหมือนกับการใช้การบริกรรมพุทธโธ mm. การบริกรรมพุทโธนี้เราต้องเป็นคนบริกรรมเอง ซึ่งถ้าเราไม่มีกําลังเราก็จะไม่สามารถบริกรรมได้อาจจะบริกรรมได้เพียงสองสาครั้งแล้วก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าเราไม่มีกําลังเราใช้การําทําเป็นเครื่องดึงใจเป็นเครื่องปูกใจมันมันก็จะง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องท่องบริกรรมพุทโธพุทโธเราเพียงแต่ หลายใจให้ลองรับกระแสธรรมที่เป็นเหมือนกระแสน้าใจของเราที่เป็นเหมือนแก้วน้ําให้กระแสธรรมเข้าไปสู่แก้วน้าสู่ใจเพื่อจะได้กล่องใจให้สงบได้นี่คือการฟังธรรมระดับสมาธิส่วนการฟังธรรมระดับปัญญาก็คือฟังแล้วเราเข้าใจความหมายเราต่ายอง พิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้บรรลุ ธ, ธรรมขั้นนั้นการฟังธรรมนี้ก็มีหลายขัน้นด้วยกันฟังไปเข้าใจขัน้นไหนก็จะหายสงสัยจะรู้ว่า การปฏิบัติาการกระทำของเรามาอันนี้ทำมาถูกทางแล้วแล้วก็ฟังต่อไปให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรอีกเรายังปฏิบัติไม่ถึงเราจะได้รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนว่าพอเราถึงตรงนี้แล้วเราก็จะต้องไปตรงนั้นต่อพอไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ต้องไปตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่า จะถึงจุดหมายปลายทางการฟัธรรมจึงเป็นเหมือนกับการบอกทางรับรู้รับฟังผู้บอกทางผู้ปฏิบัติผู้ฟังทางก็เป็นเหมือนผู้เดินทางที่ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการไปถึงนั้นไปไปอย่างไรไปตรงไหนไปถึงตรงนั้นแล้วต้องไปต้องไปตรงไหนต่อ กาฟังธรรมนี้ก็จะเป็นการบอกเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีลขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญาขั้นบุค้นขั้นต่างๆตั้งแต่บุค้นขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิรดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ขั้นบุค้นกันอย่างไร อันนี้ฟังไปแล้วพอเราเข้าใจเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อบางทีเราอาจจะปฏิบัติได้ในขณะที่เราฟังเลยอย่างในสมัยพระพุทธการที่มีผู้ที่ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วบรรลุมัมบคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากนั่นก็เพราะว่าเขาทงในระดับปัญญาเขาได้ทําทานแล้ว เขาได้รักษาศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วพอฟังธรรมขั้นปัญญาเขาก็เข้าใจสามารถทำใจได้ ท, ทันทีเลยเช่นในครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระปัญญาวกีหนึ่งในพระปัญญาวกีก็บรรลุเป็นพระสวัสดาบัลขึ้นมา เพราะว่าพรพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจ ส, สี่ทงแสดงว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นความจริงเป็นเป็นความจริงที่เป็นความทุกข์ผู้ใดมาเกิดแล้วผู้นั้นจะต้องแก่ผู้นั้นจะต้องเจ็บผู้นั้นจะต้องตายด้วยกันทุกคน การเกิดการแกร่การเจ็บการตายจึงไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์แล้วทรงแสดงต้นเหตุของความทุกข์ว่าคืออะไรต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความอยากเกิดแต่ไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เกิดแล้วจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพอเกิดความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจทุกครั้งเวลาที่คิดถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายใจจะมีความทุกข์ทันทีเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไป ทีนีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีที่จะดับความทุกข์ใจอันนี้ด้วยการเจริญมัคมัค ก, ก็คือเครื่องมือที่จะนำเอามาสอนใจให้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ผู้ที่แกผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจร่างกายเป็นดินน้ำลงไปร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใจนี้เป็นเหมือนหมอที่ดูแลคนไข้หมอก็ดูแลคนไข้ไปตามอาการคนไข้ต้องการยาชนิดไหนก็หายาชนิดนั้นมาให้รับประทาน ถึง เ, เวลาต้องอาบน้าต้องรับประทานอาหารต้องดื่มน้าก็จัดหาสิ่งที่ร่างกายต้องการมาให้หอกับคนไข้นี้เป็นคนละคนกันเหมือนกับใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันใจจึงไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตาย เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะความจริงของร่างกายทุกๆร่างกายที่มาเกิดนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปทั้งหมดนี่คือสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจใจไปห้ามไม่ให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พอใจเข้าใจใจก็ปล่อยวางล่างกายระงับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพองับได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปก็รู้ขึ้นมาว่าตอนเองนั้นไม่มีความทุกข์กับความแก่ ความจ็ความตายของร่างกายแล้วผู้ที่รู้ความจริง น, นี้ก็คือพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอ่อที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ จ, ไจึงละสัก ยังละศีลพัตนาสารมากได้คือการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อสเดาะเคราะห์ต่างๆสเดาะเคราะห์เพื่อให้อยู่ไปนาน ๆ, ๆเพื่อไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายรู้ว่าทำไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหมือนเล่นละครกันไปไม่มีสาระประโยชน์ไม่มีเอกไม่มีผล การไปทำสะดอกพระบูชาอะไรต่างๆเช่นบูชาวาหุนไปเดินลาะใต้โบสถไปทำพิธีกรรมอะไรทังเปลี่ยนต่างๆย้ายบ้านย้ายช่องทำมันสุดแท้แต่จะทำอะไรบูชายันเพื่อที่จะสะดอกเคราะา์ทลายความเสื่อมที่จะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของตน ผูท้ที่เห็นความจริงแล้วว่าความเสื่อมนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของทุกๆคนมีเกิดแล้วก็ต้องมีแต่มีเจ็บมีตายไยับยังไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ไปทำบุญสะดบเพราะให้เสียเวลาเปบ่าๆแล้วก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของ เหตุที่จะทําให้ร่างกายเสื่อมเช่นตายไปหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเฉเพราะการทําบาปทำกรรนี้ถ้าไปทําร้ายผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะให้ผู้อื่นเข้ามาทําร้ายถ้าไปฆ่าผู้อื่นก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ผู้อื่นเขาจะต้องมาฆ่าเราดังนั้นพระโสดาบันก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเป็นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะระงับ อ, อันตรายภัยอันตรายต่างๆที่จะมาเกิดขึ้นกับร่างกายผู้ที่มีศีลนี้จะปลอดภัยจากภัยต่างๆเช่นยาพิษสัตว์อาวุธเพราะว่าไม่ได้ไปทําร้ายผู้อื่นไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผู้อื่นก็จะไม่ มาคิดทร้ายมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตนถ้าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของความจริงในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วก็จะต้องเจอกับความเจ็บประเภทต่างๆกันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุ เดินทางทางเครื่องบิน <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินอยู่ในที่เปลี่ยวในที่เล่อแหลมต่ออันตรายจากวิฉาชีพก็มีโอกาสที่จะรับภัยต่างๆเหล่านี้ได้ผู้ที่เจรจาจึงไม่ประมาททำอะไรก็ต้องรอบคอบต้องพิจารณาอยู่ว่า ควรจะทําหรือไม่ทําเช่นเดินสุราแล้วควรจะขับรถหรือไม่ควรขับรถถ้าไม่ใช้สติปัญญาไม่รอบคอบก็มีโอกาสที่จะพบกับอุบัติภัยต่างๆได้อุบัติเหตุต่างๆได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเรื่องของการมาเกิดในโลกนี้มีโอกาสที่จะต้องมารับ กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่า น, นี้เพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่า น, นี้เป็นอนัตตาเป็นเรื่องของสุดวิสัยเหลือความสามารถของเราที่จะไปควบคุมบังคับได้นี่คือความรู้ของพระโสดาบันท่านจึงไม่ไม่ไปเสียเวลากับการทำบุญสับเคราะ์ต่างๆ หรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาบกปรองคุ้มครองเช่นหาพระพุทธรูปพระมาห้อยคอนพระที่มีราคาแพงๆมีละพระราคาแพงเท่าไหร่ก็เป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองที่มีราคาแพงก็เพราะมีการสมมุติขึ้นมาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทําให้เกิดมีความอยากได้กัน พอมีความอยากมากก็มีการแข่งขันประมูลราคากันเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ได้มาห้อยคอหรือได้พระพุทธรูปมาบูชาที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะหลีพ้นจากภัยต่างๆได้ถ้าถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสที่ภัยเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ กิขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผูุชมเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดมันก็เกิดเช่นเมื่อหลายสิบปีมาก่อนก็มีครูบาอาจารย์พระป่าห้ารูปที่ตกเครื่องบินตายไปนี่ก็เพราะว่าท่านไปขึ้นเครื่องบินนั้นเองถ้าไม่ขึ้นเครื่องบินมันจะตกเครื่องบินได้ยงไ ถ้าเดินมาอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะตกเครื่องบินได้แต่เดินมาก็อาจจะถูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะได้มันก็ตายได้เหมือนกันดังนั้นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รู้ว่าทายัางไงก็หนีความตายไม่พ้นจะนั่งเครื่องบินก็ตายได้จะนั่งรถยนต์ก็ตายได้จะนั่งเรือก็ตายได้จะเดินมาก็ตายได้เหมือนกัน จะอยู่บ้านอยู่วัดก็ตายได้เหมือนกันท่านจึงไม่ไปกัวงวลกับเรื่องของความตายเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านจึงหยุดความอยากไม่ตายได้เพราะรู้ว่าความอยากไม่ตายนี้ทำให้ทุกทรมานใจแต่เปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือพระสุนดาบั แล้วท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะการที่ทำให้ท่านได้เห็นพระอริยาาสัจสี่ที่ปรากฏขึ้นในใจของท่านเห็นความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเห็นมกักก็คือสติปัญญาที่พิจารณาเร่างกาย จนเห็นชัดว่าเป็นเพียงธาตสิ่ดินีน้ำหมนไปต้องเกิดแกเ่เจ็บตายไม่ใช่ใจไม่ใช่เป็นตัวของท่านของผู้พิจารณาผู้พิจารณาคือใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายท่านจึงดับความทุกข์ภายใงใจได้ทำให้นิโรธดคือการดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาด้วยการหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ ท่านก็นจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าแต่แม้ว่าไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่เมื่อได้เอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนปรากฏขึ้นมาภายในใจที่สุดได้ชัดเจนว่าอาริยสัจสีนี้เป็นความจริงเป็นอาการหิโกไม่ว่าจะจะเป็นในช่วงสมัยพระพุทธการ สมัยที่มีพระพุทธเจ้ารับรองอยู่หรือไม่ก็ตามเหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติจะพบกับพระอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นเวลาไปอยู่ในที่น่ากลัวที่เสี่ยงภัยอันตรายก่ต่อความเป็นความตายตอนนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างมากแล้วถ้าอยากจะดับความทุก ก็ต้องพิจรารณาว่าแล้วทำให้หยุดยับยั้งไม่ให้ร่างกายนี้ตายได้ไหมถ้ามันถึงเวลาจะตายถ้ายับยั้งมันไม่ได้น่าไปกลัมันทำไมไปอยากไม่ให้มันตายทำไมถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพอพิจรารณาอย่างนี้ยอมรับความตายท่าน้นึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายก็จะหายไปผู้นั้นก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า ถ้าทําคําสอนมีจริงหรือมากพราะกํากลังเห็นอยู่ภายในจาใจนะเห็นอริยสัจสี่นะเห็นทุกก็คือความตายแนละ้วเห็นสมุทัยก็คือความกลัวตายแนละ้วความไม่อยากตายแนละ้วเห็นมรรคคือสติปัญญาแนละ้วเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายร่างกายนี้เป็นดินน้ําลมปัร่างกายไม่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย นั่นเราจปกลัวทำไมเราจะปอยากไม่ให้ร่างกายตายไปทำไมกลัวแล้วเราทุกข์ถ้าไม่กลัวแล้วเราไม่ทุกข์จะเอาอะไรมันก็ต้องเอาไม่ทุกข์ต้องเอาไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่กลัวมันก็ต้องไม่อยากตายพอมันหยุดความไม่อยากตายได้ถามทุกข์ก็ถามตายหนักกวิดอันนี้แหละคือการบรรลของพระสวดาบั ท่า น, นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอาิยาสัจสี่เห็นทุกส์เป็นใจนิโรธมากที่เกี่ยวกับความแก่ความเลี่อความตายของร่างกายพอท่านเห็ธรรมท่านก็ไม่สงใัในพระพุทธธรรมประสมบ์แลท่านก็ไม่ไม่หวังที่จะใช้สีลับทัตตะปลมาคือการทำบุญสละเคระ์ด้วยวิธีการต่างๆมาก เป็นการป้องกันไม่ให้ตนต้องตายไปหรือต้องต้องเสื่อต้องเสียอะไรไปถ้าถึงเวลามันจะต้องเสียถ้าต้องเสียไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีหรือทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆ ก, ก็ดีเมื่อถึงเวลาแล้วที่เขาจะเสื่เขาก็ต้องเสืย ไม่มีใครไปยับยัง้งไปหยุดมันได้นี่คือการฟังธรรมแล้วเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาทันทีฟังแล้วพิจารณาตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้จนมีพระอัญญาโกรนธัญะบรรลุธรรมขึ้นมาปรากว่าท่านแปลวาจาว่าสิา่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นกามเสื่องการดับของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาไปตลอดแม้แต่โลกใบครมโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันทักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสภาพหมดไปอนนี้เป็น กของธรรมชาติในโลกนี้นั่นเองด้วยสมาและพิจารณาด้วยปัญญาอขอความบรุณาถ้าจะไปคุยกันไปคุยที่อื่นนะ ใ น, นไม่ใช่ที่คุยกันอาจะคุยกันไปคุยที่อื่นแล้วค่อยกลับมาก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาฟังถ้าไม่ฟังก็ขอให้ไปคุยกันที่เพราะว่าเป็นการกรบกวนผู้อื่นถ้าคุยกันสองสามคนแล้วมันฟังกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะฟังคนไหนดีคนพูดก็เสียสมาธิไปกับการพูด เนี่อบอกว่าเรื่องของการควาธรรมจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเสียงก็คือความสงบทางกายทางวาจาร่างกายก็ไม่ขยับขยื่นไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่มีการพูดอะไรกก็ต้องมีสมาธิคือตั้งอยู่ในทางสงบไม่มีความคิดปุ่งแต่งริดาสติจกจอ อยู่ต่อการฟังเทศฟังทางทา ง, งเสียงที่มาสัมผัส ก, กับหูเท่านั้นถ้าไม่ฟังแบบนี้ก็เสียเวลาไปต่อๆฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรคนพูดก็เสียเวลาไปต่อๆเสียน้ำลายเสียกำลังใจเพราะว่าพูดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ซึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธทุกวันนี้แล้วเวลาพร ะ, ะเริ่มเทศก็เริ่มคุยกันเลยเวลาพระเริ่มสวดก็เริ่มคุยกันเลยในงานศพนี้มีใครฟังพระสวดกันบ้างมีใครฟังพระเทศกันบ้างมีแต่คุยกันถามถ่ายสารทิศสารทุกขสุขดิบกันนินทาการเลกันฟังไปแล้วแทนที่จะฉลาดก็ไม่ฉลาดขึ้น เขาฟังแบบทัพทีในหม อ, อกแกงไม่ได้ฟังแบบลิ้นกับแกงนั่นเองแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียสมาธิด้วยทำให้ทุกอย่างล้อมเหลวไปหมดนีด่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทมไมเราไม่ชอบรับนินรับนิมนต์ไปเทศการสถานที่ต่า ง, งัเราเคยไปมาแล้ว ไปแล้วก็เหมือนกับพูดกับเสาพูดกับกําแพงคนที่ไปฟังเขาไม่ได้ฟังแต่เห็นเขานั่งคุยกันบางคนก็เปิดหนังสืออ่านกันบางคนก็คุยโทรศัพท์กันไปอย่างนี้ไปทําำไ น, นไปแล้วไม่เกิดประโยชน์คนฟังไม่ได้รับอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรคนพูดก็เสียเวลาไปต่อ่า จึงไม่ค่อยอยากจะรับนิมนต์ไปเทศที่ดหนเพราะว่าคนที่มาฟังนี้ส่วนหนึ่งก็ถูกเกณฑมาให้มาฟังเช่นบริษัทอยากจะให้คนงานมีธรรมะก็เลยนิมนต์ทักไปเทศคนงานในบริษัทไม่อยากฟังแต่ก็ต้องมาฟังเพราะถ้าไม่ฟังก็อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือถูกล่ออกจากงานได้ก็ต้องมาฟังด้วยความจำใจ ไม่ได้มาฟังด้วยความศรัทธาความยินดีแต่อย่างใดก็เหมือนกับเอาแก้วมาพว่ำไว้แล้วก็ให้เทน้ำใส่ไปในแก้วเทไปจนมําตายมันก็จะไม่มีน้ําใส่เข้าไปในแก้วแม้แต่หยดเดียวเพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารับน้ำนั่นเองคนเทน้ํามันก็ต้องมีตา ม, มันก็รู้เทไปตรงนั้นเสียดายน้ำเก็บน้ําเอาไว้ให้ คนที่เขาอยากดื่มดีกว่าเทไปแล้วน้ำก็ไหลทิ้งหมดเทไปทำไมเสียดายเสียดายน้ำที่มีคุณค่าอย่างนี้นี่คือเรื่องของการฟังธรรมฟังได้สองแบบฟังแบบทักทีในหม้ อ, อกแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทับีในหม้ อ, อกแกงฟังไปจนมันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกนถ้ามีภูมิที่จะรับธรรมะก็จะสามารถบรรลุได้เลยอย่างในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอริยะขั้นต่างๆกันเป็นจํานวนมากเพราะท่านสานารถฟังแบบลิ้นกับแกนฟังด้วยศียฟังด้วยสมาธิฟังด้วยปัญญาสมัยนี้ มีปรากฏเป็นข่าวบ้างหมายว่าผู้นั้นบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีเลยไม่เคยมีข่าวปรากฏออกมาเลยเพราะผู้ฟังนี้ไม่ได้ฟังด้วยศีลไม่ได้ฟังด้วยสมาธิไม่ได้ฟังด้วยปัญญานั้นนี้ฟังไปแต่หูแต่ใจไม่ได้พิจารณาฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวา ไปคุยกันคุยกันคนนั้นคุยกับคนนี้ถ้าไม่คุยกันก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้หรือไม่เช่นนั้นก็อ่านหนังสือพิมบ้างอ่านหนังสืออะไรต่างๆไปธรรมะที่มีคุณค่าก็เลยกลายเป็นเหมือนไม่มีคุณค่าไปเหมือนกับเอาเงินให้เด็กเล็กอย่างนี้เด็กเล็กมันเห็นเงินมันก็เอามาฉีกเล่นครับ อาแบงไปให้เด็กเล่นเด็กมันก็ฉีดเล่นกันเพราเด็กมันไม่รู้คุณค่าของแบงก์ของธราบัตรว่ามีคุณค่าอย่า ง, างไรเราจึงไม่ให้เงินทองกับเด็กๆเกพราะรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเด็กๆการ <c oughs> แสดงธรรมก็เป็นเหมือนกับการให้เงินทองเหมือนกันก็ต้องดูว่าคนฟังนี้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็ก <c oughs> ถ้าเป็นเด็กก็ ไม่พูดทะให้เสียเวลาไปไป่างๆให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร้ามเห็นกิริยาการไม่สงบไม่นิ่งคุยกันอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ต้องรู้จากการละเสดจรู้จากการัะสถานที่รู้ว่า ตอนนี้เราควรที่จะทำตนอย่างไรตอนนี้ต้องการความสงบหรือว่าต้องการเสียงเฮฮาถ้าเราไปงานเลี้ยงเราไปนั่งสมาธิในงานเลี้ยงมันก็ไม่ถูกกาลเทศะก็จะไปทำลายทําให้วงเขาแตกได้คนเขากำลังนั่งคุยกันเฮฮากันเราไปนั่งหลับตาขัดสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกัน เวลามาวัดมาฟังเทศฟางธรรเราก็มานั่งคุยกันเฮฮากันอย่างนี้ก็ไม่ถูกกาลเทศะคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ก, ก็เป็นเหมือนเด็กนี่นเองเป็นคนปัญญาอ่อนคนปัญญาคนที่มีปัญญาจะต้องรู้กาลเทศะรู้ว่าเวลานี้ควรจะทำอย่างไรในสถานที่ใดควรจะทำตัวอย่างไร ควรจะแต่งกายแบบใดไปงานแต่งงานเราควรจะแต่งกายแบบใดไปงานศพเราควรจะแต่งกายแบบใดควรจะมีกิริยาอาการแบบใดมันต้องรู้กัดถ้าไม่รู้ก็ต้องมีการสอนกันถ้าไม่รู้ก็แสดงว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังต้องมีผู้ใหญ่คอยสอ น, นเวลาที่เราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกนี้เราก็ต้องคอยสอนข้ำเรื่องราวน่อย ให้เขารู้จักกาลเทศะให้เขารู้ว่าเขาควรจะทำตนอย่างไรในขณะที่เขาอยู่ในสถานที่ใดว่าถ้าเขาไปทำตนไม่ถู ก, กับกาลเทศะก็จะเกิดทางเสียหายให้กับสถานที่นั้นน่าเกิดทางเสียหายให้กับตนเองสถานที่นั้นก็จะแตกกระเจิงไป แล้วตัวเราก็จะการันที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากจะเชิญให้ไปร่วมเสวนาให้ไปร่วมหลวงด้วยนี่คือการรู้จาักกาลเทศะเป็นปั ญ, ญลณ์ของผู้มีปัญญาเรื่องของผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่รู้เหตุรู้ผล รู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะนั่นเองส่วนเด็กนี้จะไม่รู้เห็นรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะดังนั้นขอให้เราใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาที่เรา ไปเข้าในสังคมใดให้รู้ว่าสังคมนั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่และเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีดนงามอย่างไรเขาทำอะไรกันอย่างไรเราก็ควรจะกระทากันอย่างนั้นไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นค น, น่กลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจทำให้สังคมเดือดร้อน เขาก็ต้องแยกเราอยู่อีกที่หนึ่งเนื่องจากไปขังคุกขังตาอย่างคนที่ดือมตัวยาเมายาแล้วอารวาสทำรายเข้าวของทำร้ า, รายบุคคลต่างๆก็ต้องมีการมาจัดคนนั้นเข้าไปสงบสติอารมณ์เพราะถ้าปล่อยไว้ก็จะมีแต่สร้างความเสียหายสร้างความเถือย้อนให้แก่ผู้อยู่นั่นเอง คนที่เมาสุรานี้ก็เป็นคนที่ไม่นี้จากการรักสรไม่รู้จักการประครับประคองตนให้ตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่เช่นเียวกับคนที่ข้ากัดตัชีวิตรักษรัพประพฤติติดตัวเอหนึ่งโตหกหลักลวงก็เหมือนกันเป็นคนที่จะสร้างความเดือ เสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนเหล่านี้จึงมกักจะถูกตับบริเวณเช่นถูกขังอยู่ในคุกในจรานั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วร่างกายเขาเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ใจของนี้ไม่มีปัญญาของมนุษย์ปัญญาของมนุษย์ก็คือการรู้เหตุรู้ผลหรือว่าการกระทําของตนนี้ เกิดผลอย่างไรต่อผู้อื่นเมื่อไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเหมือนเดรัจฉานเป็นเหมือนเสือสิงกะทิงแรกก็ต้องถูกจับขังไว้ในกรกไม่ปล่อยให้ออกมาอยู่กับสังคมทั่วไปเราเคเห็นสิงขาเราจับถูกปล่อยให้ม า, อ, าอยู่ในสังคมของมนุษย์หรือไม่พอเห็นเสือนี่จะเรียกตำรวจกันมา ตามจับกันฆ่ากันอย่างทันทีเลยเรารู้ว่าเสือนี่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อยู่ทั้งใดผู้ที่ฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตก็เหมือนกับเสือดีๆนี่เองคนที่ฆ่าสัตว์ในสมัยโบราณเขาถึงจะเรียกมีสมนามว่าเสือชื่อแดงเขาก็เรียกว่าเสือแดงชื่อดำเขาก็เรียกว่าเสือดำคำว่าเสือก็แสดงว่าเขาเป็นสัตว์แล้ว เราไม่เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนั่นเองนี่แหละตามจำเป็นว่าทำไมเราถึงต้องมีสิ่งจิพร้อมถ้าไม่มีสิ่แล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แกบผู้นี่คือสิ่อยยางส่วนสิงลงได้อีดก็คือการนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรเช่นเวลาฟังเทศสังธรรมอันนี้นีก่ก็สิ่ได้อีก เพราะว่าหรือแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ฆ่าสัตว์สัตชีวิตรักร้กับผู้สิทธิ์โดยงแต่รากแต่ถ้าเราทำอะไรส่งเสียงดังยบับยคิดก็รับฟังโทรศัพท์คุยกันอย่างนี้มันก็ไปรบกวนตามสงมไปรบกวนสมาธิของผู้ที่เขาฝังสั่งได้ก็เป็นเหมือนกับทาตัวให้เราไม่เป็นมนุษย์เหมือนกัน เป็นขอให้ท่านทั้งหลายจังวรเวลาที่ท่านไปในสถานที่ต่างๆให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วเราก็ควรที่จะทําตามที่เขาทากันสิ่งที่เราอยากจะทํานั้นเราอาจจะต้องรอให้เป็นเวลาอื่นเช่นเราอยากจะคุยอยากจะสงทนา อยากจะถามปัญหาอะไรเราก็ต้องรอให้การสังเพศสังทรรมนี้ยุติไปก่อนหรือเราอยากจะถวายข้าวของอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันมันทุกอย่างมันมีเวลาของมันไม่ใช่จะทำกันมั่วไปหมดจนกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความสับสน ม, มีแต่ความวุ่นวายสังคมพุตนี้เป็นสังคมที่ละเอียดมาก เป็นสังคมของผู้ที่จเจริญเวลาทำอะไรนี้จะทำด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธศาสนาเล่นจะอยู่สังคมของคนป่าคนขังเขาจะทำอะไรกันแบบสับสนวุ่นวายกันได นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้จะเกิดผลก็คือจะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบที่เรียกว่าศียงกาสงบเรียกว่าสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือพิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจก็จะบรรลุธารมะ อางที่พระอนัญจญงจัญยะได้พิจารณาพระอริยักษ์สิกามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกใจนี้อยู่ที่การแก่อยู่ที่การเกิดอยู่ที่การตายต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ที่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายการที่จะทําให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้หายไปได้ก็ต้องใช้สติปัญญา คือต้องสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปจากร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปจากร่างกายพอพิจารณาอย่างนี้ก็เข้าใจ ก็หยุดความอยากไม่แยอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็ทำให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจหายไปก็เข้าใจคำสื่ว่าอ๋อพระอริยะสัจสี่ที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นดีอยู่ในใจของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นธรรมในใจนี้เองดูแล้วว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครสอนอย่างนี้มาก่อน ไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อรู้แล้วก็นําเอามาเผยแผล่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าในสมัยนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่รล้วก็ตามถ้าเราเอาพระอริยสัจสี่เข้ามาในใจเราจนปรากฏเห็นชัดอยู่ในใจเรา เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเนี้เกิดจากความอยากของเราอยาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็พิจารณาดูร่างกายว่าแล้วมันทํางไงไม่ให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเป่าเราก็พิจารณาก็จะนว่ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่ไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เมื่อเราไม่สามารถทํา ไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นะแล้วเราจะไปอยากทาไมอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไปก็ทุกไปต่อๆก็เลยหยุดความอยากเสียปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันตายไปพอปล่อยปบับใจก็หายทุกข์หายจากความไม่สบายใจยทันทงก็รู้ว่าอ๋อนี่แหละคืออริยสัจสี่รู้แล้วว่าเป็นของจริง ของพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงเมื่อทําคําสอนเป็นของจริงพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันผู้ที่แสดงธรรมก็ต้องมีผู้ที่แสดงธรรมคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านี้เองและผู้ที่เข้าถึงนธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์นี้เองก็คือผู้ปฏิบฏัติผู้ปฏิบฏัติชอบผู้ที่ฟังธรรมและบรรลุธรรมในกัะนั้นนั้นเอง พระอญิยโกนทัญยะจึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกดังนั้นเป็นมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาพร้อมกันทั้งสามองค์มีพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมคาสอนมีพระอญิยโกนทัญญะทำธรรมจนบรรลุธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระเสวดาบัณ พระอริยะบุคคลท่านที่หนึ่งวันนั้นเป็นปรากฏว่ามีพระรัตนไฟปรากฏขึ้นมาพร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้าสนาตอนต้นนี้ปรากฏมีพระพมีปรากฏแต่พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรัตนะเพียงองค์เดียวตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจับจัลลุในวันเพ็ญเดือนหกี่เกิดพระพุทธรัตนะขึ้นมาแล้วแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงธรรม จนสองเดือนต่อมาในวันเพ็ญเดือน8ปดงได้ทรงสแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคทีทั้งห้าพอทังแล้วหนึ่งในพระบรญจวัดทีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเกิดก็เลยปรากฏมีพระธรรมปรากฏให้แก่โลกเป็นครั้งแรกและก็ปรากฏมีพระอาริยสาวกขึ้นมาจากการทำธรรมครั้งแรกนี้1คนก็เลยมีนะพระรัตนัยครบองค์ ในวันเพ่งเดือนแบบนี้นี่และคือความรู้ที่เราจะรู้จากการได้มาฟางเทศฟังธรรมกันแล้วก็จะสามารถนำอาอกไปใช้ในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราได้เวลาใดที่เราเกิดความไม่สบายใจเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากความอยากของเราต้องอยากได้อะไรทั้งอย่าง อยากให้อะไรเป็นอะไรทักอยาก่างมันไม่ได้อกเช่นอยากให้สามีซื่อสัตย์กับเราอยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้เขาไปเที่ยวผู้หญิงไม่อยากให้เขาเดื่มสุราเราก็ไม่สบายใจเวลาเขาไปเที่ยวไปดื่มสุราพอเรามาพิจารณาว่าแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่า<ม>ห้ามเขาไม่ได้แล้วเราไปอยากทําทไมอยากไปให้ทุกไปประสาททาไมห้ามเขาก็ไปอยู่ดีไม่ห้ามเขาก็ไปอยู่ดี อยากไม่ให้เขาไปเขาก็ไปอยู่ดีอยากไปทําไมอยากให้หนื่อยตลอดให้ไม่สบายใจตลอดก็ปล่อยก็ไปก็อยากจะไปก็เรื่องของเขาถ้าอยากจะตายก็เรื่องของเขาเราอยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แล้วเวลาตอนนี้ถ้าไม่มีเขาเราทําไมจะอยู่ไม่ได้ที่เราอยู่กันไม่ได้เพราะเราไม่ใช้ปัญญาใช้ความอยากกันเราเกิดความอยากแล้วมันก็ดิ้นเหมือนปลาติดเบ็ด ถ้าใช้ปัญญาก็อยู่เฉยๆมันก็จะไม่เร็บ่าที่ติดเบ็ดจริงถ้ามันไม่ดิน้นมันไม่เจ็บแต่ถ้ามันดิน้นมันอยากจะให้หลุดจากเบ็ดนั้นมันจะเจ็ดอันใดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยา่าต้องยอมรับความจริงเขาจะดีเขาจะชั่วเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เป็นความผิดของเราเองที่เราไปเลือกเขาเอง ไม่มีใครเข้าบังคับเราเราเป็นคนเลือกเขาเองเลือกเขาแล้วเราก็ต้องรับผลจากการเลือกของเรานี่ยถ้าเราฉลาดก็เป็นเหมือนปาถ้าเห็นเหยื่อก็อย่าไปพุกเหยื่อเพราะ้มันก็จะไม่ถูกเด็ดเกี่ยวปากแต่ถ้าไปพุกเหยื่อปกักไม้ก็จะถูกเด็ดเกี่ยวปากกันทีถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์เป็นบุคคลต่างๆเป็นทุกข์อย่าไปมี อะไรกับเขาดีกว่าอยาาไปให้เขามาเป็นสามีเป็นภรรยาเ่ะเราอยู่คนเดียวดีกว่าเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับเขาพอได้เขามาแล้วทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับเขาแล้วเขาดีก็ทุกข์ไปอยา่างเขาไม่ดีก็ทุกข์ไปอีกอยาก่างเขาดีก็ทุกข์อยากจะให้เขาอยู่นานๆอยากจะไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาพอเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราก็ตกใจกลัวเราโศกเสียใจ ถ้าเขาไม่ดีก็ทุกไปกแบบหนึ่งความไม่ดีของเขาก็ทําให้เราไม่สบายไม่สบายใจเราชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นตัลายามาสคบคนชั่วเป็นมิจฉุพอเราเห็นว่าทำสิ่งอันนี้เราก็จะไม่สบายใจถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่มีความสบายใจต่างๆเหล่านี้คนฉลาดที่อยู่คนเดียวคนโง่เท่านั้นแหละที่จะแต่งานกัน ว่าแต่แล้วมันต้องมาทุกข์ทุกกับคู่ครองแล้วต้องมาทุกข์กับลูกทุกข์ไปจนมันตายจกนกว่าจะจากกันนี่คือการบำเท็ญธรรมวันนี้วันนี้ท่านที่อยู่คนเดียวอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาก็ไดาไม่เอาแล้วไม่อาจจะมีแฟนแล้วท่านที่มีแฟนแล้วก็อาจจะต้องทําใจว่าติดเบ็ดแล้วอย่าไปดิ้นอยู่เฉย ปล่อยให้เขาให้แบ็ดมันหลุดเองถ้าก็อยากจะไปก็ปล่อยเขาไปพอเขาไปแล้วเหมือนเหมือนกับแบ็ดมันก็หลุดจากปากเราพอจากกันแล้วมันก็ไม่ต้องทุบปอดกันอีกต่อไปเอาละนะการแสดงก็สมควรแต่เวลาก็ ข, ขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ก่อนสองปัจเจกเป็นวัน เราถ่ายได้ภาพัน้นดูนะใ้างะั่รออยูคร่ต้องรอก่อนตอนนี้ไม่เกเดี๋ยวให้เสร็จก็ละทั้นี้ก่อน สวัสดีถวัสดีครับหนักๆวางตรงนี้ครับแล้วก็อาหารวางตรงนี้ครับถ้าเป็นอาหารนะครับยังอื่นมาถวายได้หมดถ้าไม่หนักของกินของหนักเนี่เอาวางไว้เลยของเบาก็ช่ยได้นะครับของกินหรือเาชาคท่าานทาตงคยได้นะครังสือยดักา ก็ช่วยได้นะสะดวกอาจารย์เทพไปคล้องคืนเลยครับไม่ต้องมาตวงสองมคล้องเลยแล้วเสียงก็ดีนะคราซอไว้ตรงนี้นะกระดาษได้ถวายถวายจะไปนะครับเงินวลตงน้ก็แตกางเราไม่เจอได้นะสื่อที่ดได้เลย จะถามาอะไรดีคับหมอมีอะไรไอธิบายสติปัฏฐานสี่ที่ที่หลวงพ่อบอกว่ามุกแต่ฐานกายสา ม, มารถเจริญด้ยสตแล้วก็เป็นก า, นน า, าก็คือกายนี่มันเป็น เ, นเหมือนด่านแรกเป็นที่ตั้งรับของกิเลสอย่างแรกกิเลสนี่มันมีหลายด่าน อย่างสุดท้ายมันจะอยู่ในจิตอย่างแรกนี้มันจะอยู่ที่ร่างกายอยู่ของที่ต่อเ น, นื่องกับร่างกายเป็นราบยุบศการละเสริมรูปเสียงกลินนสดเป็นของที่เกี่ยวกับร่างกายเราต้องฆ่ากิเลสที่ใช้ร่างกายเป็นเป็นฐานตอนนี้กิเลสมันครอบครองราบยบศการละเสริม ครอบคอรองงกลินรสโกรธกระเพาะอบครองร่างกายทําให้ใจต้องทุกกับร่างกายต้องทุกกับลาภยศและเจิตาทุกกับรูปถึงกลกาาิ่นรสโกระเพาะขั้ต้นทีงต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นที่ตั้งของการเจริญจิตเป็นสนามลบสนามแรกระหว่างทํากับที่เล็ก ขั้นต้นก็ต้องใช้กายนี้มาเป็นที่ตั้งสติตก่อนถ้าใจของเรานี้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดก็เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีสมอเรือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ามันจะไม่จอดนิ่งๆเช่นเวลาเราจะจอดเทียบท่าเรือเพื่อถ่ายสินค้าหรือถ่ายผู้โดยสารถ้าเรือไม่ได้ทอดสมอ เรือมันก็จะไม่จอดอยู่ที่ทา้ามันจะไหลไปตามกระแสะน้ํา ผ, ผู้โดยสารก็ไม่สามารถขึ้ น, นลงเรือได้สินค้าก็ไม่สามารถถ่ายขึ้นลงได้เหตุใดใจที่ไม่นิ่งใจมันก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีอยในใจได้ดังนันตอ น, นนี้ต้องทําใจให้นิ่งก่อนให้สงบก่อน เพื่อให้เจริญกายกตาสติเพ่อให้มีสติเท่าอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถตั้งแต่เตินขึ้นมาจนหลับไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงหนึ่งเดียวว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังเดินเข้าไปทําธุระในห้องน้ํา ไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแปรงฟันแต่งตเนื้อแต่งตัวทําอะไรก็ตางให้ใจจดจ่ออยู่กับการทํางานของร่างกายไม่ใช่ทำสองอย่างพร้อมๆกันเมืม่อร่างกายอาบน้ําใจก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปทําอะไรบ้างไปติดต่อกับใครไปคุยกับใครหรือคิดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แล้วว่า ทำอะไรไปบ้างมีอะไรปัญหาอะไรกับใครต่างๆอย่างนีน้ไม่ให้คิดต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้คิดใจมันก็จะไม่นิ่งเวลามานั่งทําใจให้สงบมันก็จะไม่สงบเช่นเวลามานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่ดูลมมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แานนั่งไปนานเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบถ้าใจไม่สงบ ก, ก็จะไม่เป็นฐานของการเจริญปัญญา ของการพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไปหลงไปยึดไ ป, ปดติดราอยากให้ร่างกายเป็นเป็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงฉันอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เกิดจากความหลงเกิดจากความที่ไม่มีปัญญา ถ้ามีสมาธิเราก็จะสามารถสั่งให้ความคิดของเรานี้คิดไปในทางปัญญาได้ให้คิดว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเสื่อจะต้องกายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟทำมาจากธาตุสี่ผ่านมาทางอาหารข้าวนี้ก็มาจากดินน้ำก็ที่เราเดื่มเข้าไปทุกวัน ลมก็ที่เราหายใจอยู่ทุกเวลานาทีไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากแสงอาิตที่เกิดจากอาหารที่อยู่ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาซึ่ <c oughs> งธาตุสี่นี้เมืเ่อถึงเวลาเขาก็จะแยกทางกันไปเวลาที่ร่างกายนี้อยู่หายใจเมื่อไร นานนั้นก็ถึงเวลาที่ธาตุตจะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทางพอไม่หายใจแล้วร่างกายก็ย่นเฉียบถ้าน้ำถ้าทิงไว้เดี๋ยวก็จะไหลออกมาน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรต่างๆก็จะไหลออกมาตามวาวรต่างๆทึงไปนานๆเท่าก็ร่างกายก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไป นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เชี่ยงถ้าไปอยากให้เป็นอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันตาตามคำสั่งของเราเราก็จะจิดหวังเราก็จะทุกข์ในะถ้าเรารู้แล้วเราไม่ไปใส่ให้มันเป็นไปเป็นไปนอกเหนือจากความเป็นจริงคือเรา ดูว่าสั่งเขาไม่ให้แก่ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ปวดไม่ได้ไม่ให้สูญตายไม่ได้พอเรายุติความหยอดให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเราได้ทำลายความอยากที่เป็นกิเลสที่เป็นตัวของใหเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราได้ใช้ปัญญาที่ใช้ในการพิจารณาร่างการ นี้มามาดับความอยากมาดับกิเลสกิเลสที่เกิดที่ทเกี่ยวกับการยึดติดกับร่างกายก็จะตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เรายังไม่ได้พิจารณาที่เราต้องพิจารณาต่อไปก็คือส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่สกปรกของร่างกายเช่นอวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหลั ง, งโครงกระดูกระไรกระปดไตน้ใตนำใต้กมองในศีสันอย่างนี้เป็นต้นตถ้าเราเห็นน่าเราก็จะเกิดความขยักขยงแทนที่จะเกิดความรักไข่เหมือนกับเวลาที่เราเห็นแต่ภายนอกเวลาเห็นรูปภายนอกนี้เราจะเกิดตามอารมณ์ขึ้นมาได้เกิดความไข่เกิด ค, ความชอบ เกิดความอยากได้มาเป็นสมบัติของเรามาเป็นคู่ครองของเรามาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามองเข้าไปข้างในเห็นว่าเรากําลังนอนกับโครงกระดูกนอนกับจับไตไส้พุงนอนกับอิจจระปัสสาวะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะดับกามารมณ์ได้เราก็จะได้ไม่ต้องมีคู่ครองเราจะได้อยู่คนเดียวได้ ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองเพราะเวลามีคู่ครองนี้มันมีปัญหามากมีความทุกข์มากความสุขที่ได้มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาไม่เชื่อลองไปถามคนที่เขามีคู่ครองนะถามเขาว่าเขามีความสุขมากกว่าตอนที่เขาไม่มีคู่ครองหรือเปล่าแต่เมื่อลีลามันก็เหมือนปลาที่ติดแบลนั่นเอง จะถอนเดลตออกมันก็เจ็บ้วเก็บเดลต์ไว้มันก็เจ็บมันก็เลยไม่กล้าที่จะถอนยอมทนอยู่กับความเจ็บมันไปนี่คือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิและเป็นทั้งปัญญาอันตรงจะเป็นสติก่อนใช้ร่างกายถูกใจไว้ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูการเคลื่นอนไหวการกระทําของร่างกายไปทั้งวันเลย เรามีร่างกายอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้อยู่กับร่างกายเราเวันวันเราจะไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เสียมากกว่าจนลืมร่างกายของเราบางทีเดินไปร่างกายเลื่อนหกล้มนี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้เข้าดูร่างกายเวลาเดิมไม่สังเกตดูว่าท้างหน้ามันมีอะไรอยู่หรือไม่มันเรื่องหรืไม่เรื่องมันเปียกหรืไม่เปียกใจกําลังไปคิดเกียงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ นี่แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสตินี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีการเลื่อนหกล้มนอกจากมันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันไม่รู้ว่ามันเลื่อนจริงๆนี่คือเรื่องก็ใช้ร่างกายขั้นต้นก็จะในสติพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิอนาปนานสติก็ให้ดูลมต่อเพราะตอนนี้ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็มีเพียงเดียวที่เคลื่อนไหวก็คือลมเข้าลมออก ก็ให้เท้าดูการเคลื่อนไหวของลมเข้าลมออกเป็นที่ถูกใจลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้แค่นี้ไม่ต้องไปรู้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องอดุเรื่องอนาคตถ้ารู้อยู่กับล ม, มอย่างเดียวเดี๋ยวจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันมากอันิ่งใหญ่ที่พรเจ้ารงสัยว่านัตสิสันติพลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสุนิทเราได้ความสุขนี้แล้วทีนี้เราปล่อยวางร่างกายได้เรารู้ว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก่อนหน้านี้เรายังต้องใช้ร่างกายหาความเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อเราจะได้เสื่อมรูปเสียงจิตลดปวดจับะเช่นเราเดินนะเดินเครื่องเดิมที่เราชอบ รับประทานอาหารที่เราชอบดูรูปที่เราชอบฟังเสียงที่เราชอบอันนี้ต้องมีร่างกายถึงจะทําได้ถ้าไม่มีร่างกายก็จะทำไม่ได้เป็นเวลาเจ็บไข้ได้สวยนี้มีความสุขไหมดูอะไรก็ไม่มีความสุขวามอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะดังนั้นมันไม่ได้ทําอย่างสุขอย่างสบายต้องให้ร่างกายสบาย มีเป็นปัญหาถ้าเกิดร่างกายไม่สบายเป็นอมภพิษเป็นอมภภาพที่คนที่การไปก็จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ทำได้มางในบางบางส่วนแต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นเราใช้ใจใช้การนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นเครื่องมือนี้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับความเป็นความไปของร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วเราใช้สติควบคุมใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดปรุงแต่งเท่านั้นเองพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็สงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จะผ่านทางร่างกายเราก็จะตัดการผูกยึดติดกับร่างกายได้การอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆก็จะหายไป อยากไม่ให้มันเจ็บก็หายไปอยากไม่ให้มันตายก็หาใยไปเพราะรู้ว่าเวลาเกิดความอยากเหล่านี้แล้วมันทุกข์ทรมานใจพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนีเน้เป็นการพิจารณาร่างกายและเวทนาความเจ็บก็คือเวทนานี้เองเวลาร่างกายจ็บก็คือทุกขเขาเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นเหมือนกับร่างกายเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้มันไม่แก่ไม่ตายไม่ได้ชันใดเราก็สั่งไม่ให้ทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้หรือเวลามันเกิดขึ้นแล้วไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกขเราก็ต้องไม่สั่งไม่ต้องไม่อยากต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องปล่อยวางมันไปมันจะทุกขก็ปล่อยมันทุกขไปเราก็มีหน้าที่ทำใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้น ถ้าใจนิ่งใจสงบไม่เกิดความอยากมันจะไม่เดือดร้อนการปฏิบัติให้มีสติก็เพื่อที่จะควบคุมใจให้มันสงบไม่ให้มันไปวุ่นวายกับร่างกายไม่ให้มันไปวุ่นวายกับเวทนานั่นเองนี่คือสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองกายกับเวทนาพอผ่านกายกับเวทนาได้ก็ไปเจอปัญหาที่ในใจิตในใจต่อจิตเรายังมีอารมณ์ต่างๆอยู ดีใจบ้างเสียใจบ้างคุณมัวบ้างสดใสบ้าง ส, บา ง, ง, สางบ้างทุ้งซ่านมากอันนี้ก็ต้องศึกษาหาหาเหตุผลดูว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้อันไหนทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอันไหนทําได้ก็ทําไปเช่นถ้าเกิดความทุกข์ใจอันนี้เกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากความทุกข์ใจก็หายไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของที่เราหาสาเหตุไม่ได้ มันจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นไปไม่ต้องไปอยากให้มันหายมันจะว้าวุ่นขุน่นโมก็ปล่อยมันวุ่นไปแต่การว้าวุ่นขุ่นัวนี้เราแก้ได้ถ้าเราทาใจให้สงบมันก็หายได้เรื่องของจิตนี้เราแก้ได้อารมณ์ต่างๆเราแก้ได้อารมณ์ต่างๆนี้เกิดจากความไม่สงบของจิตนี้กาไม่มีสติควบคุมจิตถ้ามีสติแล้วจิตจะว้าวุ่นขุนโวไม่ได้ จิตจะสงบจะใสจะเย็นไปเรื่อยๆถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้สติปัญญามาละมรับความอยากซึ่งในจิตนี้ก็ยังมีความอยากที่ละเอียดที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเช่นการถือถือตัวถือตอนนี้ยังมีอยู่ในจิตผู้ที่ละร่างกายได้นี้ยังละอัตตาตัวตนไม่ได้สัจกายทิฏฐิกับมาระนี้คนละตัวกันสัจกรารยะทิฏฐินี้คือการถือ การหลงว่านั่งกายเป็นตัวเราของเราปล่อยได้แล้วพระโสดามันพระสกิรากามีพระอนาคามีละได้แล้วละสกายะทิติละการมาราคะได้แล้วแต่ยังละมานะการถีดตัวไม่ได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาว่าละตัวมันมีจริงหรือเปล่ า, าตัวเราอยู่ตรงไหนเราถือตัวเนี่ยตัวที่เราถือนี่มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ที่ตัวรู้นี่ตัวจิตนี่ ตัวจิตมันเป็นตัวตนที่ไหนมันก็เป็นตัวรู้แค่นั้นเองเราไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหาถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาทังทีเพราะใครทำอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจเราเราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีตัวตนเป็นตัวรู้เฉยๆใครทำอะไรก็รู้ไปไม่ถึงว่าเขาต้องทาให้ถูกใจเราแล้ไม่ถูกใจเราเราเพียงแต่รับรู้ เฉยๆเขาจะด่าเราก็รู้เขาจะชมเราก็รู้เราก็จะไม่เดือดรอ้อนเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราถือว่าเราเขาต้องทําอย่างนั้นทํานี้ให้กับเราถ้าเขาไม่ทําเราก็จะโกรธเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราต้องละตัวตวนให้ได้อย่าถือตัวถือว่าเราเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นลูกน้องเราคุณต้องเคารพเราคุณต้องฟังคําสั่งเรา มันดีกึนดีถ้าเกิดเขาดา่าเราขึ้นมาเราจะทำยังเราก็จะโกรธขึ้นมาเพราะว่าการเป็นหมอก็ดีเป็นพยาบาลก็ดีมันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองเราเป็นหมอเพราะว่าเราเรียนหนังสือจบมาเขาง่ายเราเป็นหมอเขอาเรียนพยาบาลมาเขาจบเขาก็เป็นพยาบาลบางคนก็มีบทบาทของตนเองเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงของแท้ของจริงก็คือตัวใจนี้ตัวจิตนี้เท่านั้เองตัวรู้นี้เท่านั้อง ตัวรู้นี้เท่ากันหมดตัวรู้ของหมอตัวรู้ของพยาบาลตัวรู้ของสามีตัวรู้ของภรรยานี้เป็นเหมือนกันเเป็นตัวรู้เฉยๆฉย่ตัวสมมติไม่เหมือนกันตัวสมมติก็เหมือนป้ายที่เราติดไว้ในหน้าอกเราชื่อของเราเวลาเราไปโรงเรียนก็ปักชื่อของเราไว้ว่านนี้ชื่อกอชื่อขอความจริงมันก็ร่างกายเหมือนกันทุกคน ไม่มีความแตกต่างกันมีอาการสาสองเหมือนกันนี่คือการลัตัวตนให้รู้ว่าใจไม่ใช่ตัวตนใจเป็นตัวรู้เฉยๆให้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นรับรู้แล้วก็ปล่อยวางถ้ามีปัญญาถ้าหลงก็ที่ว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่คณต้องปฏิบัติกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาไม่ปฏิบัติก็เกิดความ โกรธเกิดความเสียใจขึน้นมาเกนความทุกข์ใจขึ้นมาคือเรื่องของตัวตนวิธีที่จะปล่อยวางตัวตนก็ต้องคิดว่าเราเป็นเหมือนปาทพีเป็นเหมือนแผ่นดินทําตัวเราให้เป็นเหมือนแผ่นดินใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่แผ่นดินแผ่นดินมันไม่เดือดร้อนใครจะขุดดินใครจะเอาขยะไปฝังดินทําอะไรกับดินดินมันไม่เคยบน่นดินไม่เคยว่า ใจของผู้รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแค่รู้เฉยเใครก็จะด่าก็ให้ว่รู้ใครก็จะทุตจิตก็รู้ใครก็จะฆ่าก็ให้รู้ ร, ร, ร, ร, รู้เฉยเฉเขาไม่ได้ฆ่าเราเขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าใจไม่ได้ฆ่าตัวเรารู้ไม่ได้เขาฆ่าได้ก็แค่ร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่นะเป็นเพียงดินนะ้ำนมใสนี่คือการพิจารณา วายวางปัญหาที่มีอยู่ในใจคือมานะการถือตัวนี่คือสติปัฏฐานสี่ธรรมก็คือเราก็ดูว่าในใจเราตอนนี้มีธรรมอะไรบ้างมีสติมีปัญญารู้ตัดหรื อ, ร อ, อยังมีกิเลสปัญหาอยู่ก็คือการดูพิจารณาธรรมถ้ายังมีกิเลสก็ต้องตัดกิเลสให้หมดไปถ้ายังมีธรรมน้อยไปก็ต้องสร้างทําให้มากขึ้นไป ถ้าสติยังไม่พอก็ต้องสร้างสติต่อไปถ้าสมาธิยังไม่พอก็ต้องสร้างสมาธิต่อไปถ้าปัญญายังไม่พอก็ต้องสร้างต่อไปจนกว่าจะมีคบรบบริบูรณ์แล้ดับกิเลสได้หมความทุกข์หายไปหมดท่านนั้นนะถึงจะรู้ว่าทำนี้สมบูรณ์แล้วกิจที่จะต้องทําไม่มีอีกต่อไปแล้วเหมือนนักศึกษาเรียนจบปริญญาแล้วไม่ต้องไปเรียนอีกแล้ว ไปทำมาหากินได้แล้วผู้ปฏิบัติทางธรรมก็เหมือนกันมีวันสําเร็จปัญญาเหมือนกันการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่เลยเป็นวันที่สําเร็จปัญญาพ ร, พระโสดาบันก็เป็นเหมือนท่านปริญญาตีสกิดาคามีอนาคามีก็เหมือนท่านปิญญาโทรพระอาหารหันต์นี่ก็เป็นเหมือนท่านปริญารรญาเอกเราจบปัญญาเอกแล้วก็ไม่มีอาจะเรียนอีกแล้ว จิตอย่างอื่นไม่มีต้องทำอีกแล้ววุสิตังประมจริยงกิดในพรหมจรินี้ได้เสร็จเส้นแล้วไม่มีกิตที่ยิ่งกว่านี้ที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากกิตแถมก็คือเอาธรรมะมาแจกจ่ายตามตามตามความเหมาะสมถ้ามีผู้สนใจอยากจะศึกษาก็สอนถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่ต้องสอนพระพุทธเจ้าจะมีสองแบบ มีพระปเจการพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านมีผู้สนใจจะฟังธรรมของท่านท่านก็ประกาศพระธรรมคําสอนพระปฏิการ น, นี้ไม่มีใครสนใจท่านก็เลยไม่สอนท่านก็เลยอยู่เฉยๆไม่เหมือนกับเหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะคนไม่สนใจธรรมะคนสนใจแต่การหาคามสุข ผานทางร่างกายจึงไม่มาสนใจที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเมื่อครูไม่มีลูกศิษย์ก็จะไปสอนใครโรงเรียนถ้าเปิดแล้วไม่มีนักเรียนมาเรียนโรงเรียนก็ต้องปิดไปใช่มอันใดอาจารย์ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องถูกปากไปเท่านั้นเองเนี่ยถึงมีพระพุทธเจ้าสองแบบมีพระปฏิเจตกับพระพุทธเจ้ารู้ชเฉพาะตนไม่เผยแผ่สัรสอนแต่ผู้อื ไม่ใช่เพราะถ้าไม่อยากจะสอนแต่มันไม่มีคนอยากจะเรียนแต่ว่าการเดินโยกกลนี่เป็นกายานุปัสนาการเดินโยกกลนี้เป็นการเปลี่ยนเอริยาบตร่างกายนี้ต้องมีการเปลี่ยนเอริยาบทอยู่เรื่อยเพื่อรักษาความสมดุลถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะพิกรพิการได้การเดินการนั่งการยืนการนอนนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคือใจคือตัวสติ เดินก็ยังกายกตาสติอยู่นั่งก็ยังกายกตาสติอยู่ทาธุรกิจการงานต่างๆก็ยังกายกตาสติอีก่โดยสติจดจ่อก็อยู่ที่ร่างกายก็อยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาแน่นก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอาณาปณะสติเวลาเดินก็ดูการเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นกายกตาสติเวลาทํางาน เวลารับประทานอาหารกัดข้าเข้าปากเคี่ยวอาหารเคือนอาหารอันนี้ก็เป็นกายะกตาสติถ้าเราเข้าดูอยู่ทุกทุกระยะของการเคลื่อนไหวนั้นการเปลี่ยนอริยาวุนนี้มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญตัวสำคัญอยู่ที่สติว่าเข้าดูการกระทาของร่างกายอยู่หรืไหอไม่อยู่ในท่านสติอ่าอยู่ในท่านสติ ทานสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกจนกว่าจิตจะรวมเป็นอัตถะนาเวลารวมลมก็ปล่อยให้รวมอยู่อย่างนั้นอย่าดึงออกมาเป็นเวลาชาร์แบตเตอรี่เป็นการชาร์ตกำลังของใจก็คืออุเบกขาอุเบกขานี่แหละที่จะเป็นตัวหยุดปัญหาหยุดกิเลสได้ตอนมีอุเบกขามากๆออกมาก็ใช้อุเบกขาสู้กับกิเลสของกิเลสอยากจะไป หาลูกเสียงกิ่นมั้ปัญญาก็สอนว่าอย่าไปมันเป็นการหาความทุกข์พอปัญญาบอกเป็นความทุกข์อุเบกขาก็เข้ามาหยุดได้เลยถ้าไม่มีอุเบกขาอย่างตอนนี้เรารู้เรามีปัญญาแต่เราไม่มีอุเบกขาบอกว่าอย่าไปมีเมียอย่าไปมีผัวก็ยังอยากมีอยู่หยุดไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาฉั้ต้องมีอุเบกขาก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้ตอนนี้ใช้ปัญญาไปก็ไม่เกิดตื่นอะไร เหมือขับรถไม่มีเบรกรู้ว่าไฟแดงต้องหยุดแต่ไม่มีเบรกมันจะหยุดได้หรือเปล่าคนที่จะขับรถต้องเช็คเบรกดูก่อนว่ามีเบรกหรือไม่ถ้าไม่มีเบรกก็ต้องเข้าอูไปติดเบรกก่อนอันใดใจก็เหมือนกันก่อนที่จะไปใช้ปัญญาก็ต้องมีเบรกก่อนต้องมีอูเบกคาก่อนต้องมีสมาธิก่อนนั่นเองการเจริญปัญญาก็คือการพิจารณา เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของความไม่มีตัวตรงเป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เรามักจะมองข้ามไปเรามักจะมองว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นมีความสุขเรามองไม่เห็นความทุกข์กันเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงกันเรามองไม่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้กันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราสั่งมันไม่ได้มันไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่ไปเอานมาให้ยุ่มไปต่อากได้มารับปวดหัวสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายแล้ก็เลี้ยวขวา ถ้าคุณไปซื้อรถมาแล้วสั่งมันไม่ได้คุณจะซื้อไหมรถยี่ห้อนี้พอถึงเวลาให้มันเลี้ยวซ้ายมันไปเลี้ยวขวาเงี้ยเมื่อเวลาให้มันหยุดมันวิ่งต่อเนี่ยคุณก็คืนบริษัทไปเอามาทําไมเอามาแล้วมันทุกขอ่ะอันในสิ่นต่างๆก็เหมือนกันถ้าได้มาแล้วสั่งให้มันทําแล้วไม่ทําตามที่เราสั่งเช่นไมโครโฟนี้สั่งให้มันออกเสียงเกิดมันหยุดเสียงขึ้นมามันจะใช้มันหรือเปล่ เราไม่เห็นกันว่าของทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเราสั่งได้บางเวลาบางเวลาสั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้นั้นก็เป็นเวลาที่เศ้าโศกเสียใจเวลาทุกข์ทรมานใจเน่ยเราสั่งร่างกายไม่ให้แก่ได้ไหมสั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้สั่งไม่ให้มันตายได้เราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากันการพิจารณาเองไม่ใช่กนารเจริญปัญญาพอมีปัญญาแล้วมันก็จะได้ ปล่อยวางได้ปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายได้ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ปล่อยได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาก็เหมือนรถไม่มีเบรคมันก็ยังชนริ่งชนอยู่มันยังอยากแก่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ยังต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เพราะไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาหยุดความอยากไม่ได การเจริญสติปัฏฐานสี่จึงเป็นการเจริญทั้งสติสมาธิปัญญาตามขั้นตอนไปขั้นตอนแรกก็สติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่สามารถใช้ปัญญาตัดกิเลสได้เหมือนมีดที่ยังไม่รับหรือคนคนฟันมีดยังไม่ได้กินข้าวไม่หลับนอนไม่มีกาลังฟันยังไงก็ฟันไม่เข้าฟันไม่ขาด ส่วนกายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เป็นเป้าของการพิจารณาเป็นสนามลบนั่นเองที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันจะตั้งเป้ารับนำอยู่ที่ก้าวกายก่อนอยู่ที่ราบยศเสริญอยู่ที่รูปเสียงเสียงลดปวดสะพะอเราทํามายป้อม น, นี้ไปได้มันก็ถอยไปสู่ป้อมหนึ่งไปสู่เวทนาไปสู่จิตไปสู่ธรรมมาไปสู้กันที่ธรรมนัน่ดูว่าใจเรายังมี ยังมีกิเลสเหลืออยู่ป่ะด้วยมีธรรมธรรมธรรกับกิเลสจะต่อสู้กันจนกว่าไม่มีกิเลสลงเหลืออยู่เป็นธรรมเรวนๆใจเป็นธรรมเรวนๆเหมือนกับหมอรักษาโรคหมอก็คอยตรวจเลือดอยู่เรื่อยดูว่าเชื้อหมดหรือยังยังไม่หมดก็ต้องเติมยาเข้าไปเรื่อยๆปัญหาลบของหมอก็คือการตรวจเลือดนี่เวลาหมออยากจะรู้ว่าคนไข้หายไม่หายจากโรคก็ต้องใช้การตรวจเลือด ตรวจเลือดดูถึงจะรู้หนตอนที่เราไปถูกงูกัดหมเขาบกว่าถ้าเราเลือดไปตรวจ ด, ดูเขาให้วัคซีนมาแล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจทุกหกชัว่วโมงเลือดที่งูที่เรากับนี่เป็นปนงูงูกรปะมันจะทําให้เลือดไม่แข็งตัวเาก็สิเลือดนี่ถ้าเราเอาออกมาทิ้งไว้ไม่กี่นาทีมันก็จะแข็งตัว แต่ถ้ามันมีคลิปก่องงูกระปะอยู่นี้มันจะไม่แข็งตัวพอหม อ, อามาเลือกไปเช็คดูข้างแรกอะมันไม่แข็งตัวก็เลยให้วัคซีนมากล่อง250มิลลิลิกล่องนมเล็กๆเนี่ยนนั้งแรกให้ไปแล้ว6ชั่วโมงก็มาตรวจดูอายังไม่แข็งตัวก็เลยให้กล่องอีก6ชั่วโมงมาตรวจดูอีกทีอาแข็งแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วแสดงว่าคลิปหมดแล้ว ตอนต้นไม่กล้าให้ตอนต้นเราไปเห็นรีบไปโรงพยาบาลทีดว่าต้องรีบไปเพื่อจะได้ได้รับวัคซีนประดีหมอก็บอกว่าไอ้มุกกระปะนี้มันไม่ต้องรีบให้ถ้ารีบให้อาจจะเป็นอันตรายเพราะว่าบางทีพิษมันไม่มากมันอาจจะไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าไปให้อาจจะชอบแพ้วัคซีนก็ได้เลือกเป็นอย่างไน และนายปฏิบัติก็ต้องดูเนี่ยดูดูที่กายไว่ขนาดจิตธรรมท่านสุดท้ายก็ดูที่ใจดูที่ว่าใจเรานี้มีธรรมหรือมีกิเลสยังมีกิเลสเหนื่อยเหนื่อยอยู่หรือปล่ยังมีงออปมัญหาอยู่หรือปัดมีความทุกข์อยู่หรือเปล่ถ้ามีก็ต้องใ ห, ให้ให้ยาเพิ่มขึ้นปฏิบัติธรรมเพิ่มมากพิจารณาปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปจนไม่มีกิเลสน้องเหลืออยู่แล้วใจบริสุทธิ์แล้ว มันกับเลือดบยิสุดแล้วแต่จะจับพิษแล้วเหมือนกันอาจารย์นะแต่การปฏิบัตินี้มันฟังง่ายแต่ปฏิบัตินี้มันยากเพราะมันไม่ใช่นั่งคุยกันอย่างนี้น้อยก็จะบนลุมันต้องสู้กันทุกเวลานาทีโดยเฉพาะขั้นตอนนี้ยากที่สุดนั่คือการจเจริญสติ การตัดกิเลสการถือสิ่งแปขึ้นไปมันข่้นยากเราเคยชินกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเราต้องมาจำกัดความการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะเหมือนกับคนถูกจับไปติดคุกนีไม่มีใครอยากจะติดคุกกันทุกคนอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการผ่านต้องการเราต้องมาหยุดนี่ อนี้ยากแต่ถ้าถ้าตั้งใจแล้วก็จะสู้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนกับการให้ยาให้วัคซีถึงแม้จะเสี่ยงต่อการช็อปก็ยังดีกว่าไม่ให้เลยไม่ให้ก็ไม่มีก็มีแต่จะตายไปเท่านั้นถ้าให้นี้ยังมีโอกาสหายได้ถ้าช็อปก็ยังมีเวลารักษาได้เพรตอนนั้นเขาต้องส่งคนมาคอยสรวจสรวจอปที่ประจรความดันอยู่ตลอดเวลา ก็จะได้ดูว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือไม่แต่ใจเราเฉยๆใจเราก็เป็นเหมือนหมอแล้วก็ดูมันไปร่างกายก็เป็นเหมือนคนไข้มันหายก็ดีมันไม่หายก็จบก็ทำอะไรไม่ได้ผลมันย่ออกมาไงเราไปห้ามมันได้ทู่มันดูฟุตบอลเงี้ยทีมมันจะแพ้้วไปเปลี่ยนให้มันชนะได้แ้ก็รับว่ามันแพ้ชนะก็รับว่ามันชนะนันเองชีวิตเราร่างกายเราก็เป็นเหมือนทีมฟุตบอล ตอนนี้ชนะอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต้องไปเจอรอบสุดท้ายที่ต้องแพ้ก่อนแน่ๆตอนนั้นจะทําใจได้มั้ยป่ะทําทใจกันไว้ย ห, หัดแพ้กันบ้างอย่าเอาแต่ชนะอย่างเดียวแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้เราสงบถ้าแพ้เป็นจะสงบแพ้ไม่เป็นจะทุกข์จะโวยวายจะโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษกรรมการโทษอะไรไปหมดไม่โทษตัวเอง เราต้องโทษตัวเองว่าอยากมาเกิดมันก็ต้องตายแน่นอนถ้าไมา่อยากตายก็อย่ามาเกิดกระจายนะอันนี้จะถามทาง Facebook มถามครับอาจารย์จะ ใ, ใ, ให้พอรอย่างนี้ครับหรื้ว่าได้ให้พรกันก็ได้เพื่อนคนเดียวก็ไปอยากามวาลุวาหาปุราปาลิกปูรเรนติสาคารัง เอวเนวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเนวะสมิจจตุสัพเพกรัตุสังกะปาจันโทสนะระโสยถามณิโชติระโสยทาสสะพิ i ิววิวัชานตุสัพคารโขวีณาสตุ Aw aw ô, ィィ ino, มาเตพวะตะวันตะลายูสุขีทีคายูโกขาวอภิวาทานศีลจะนิจยังวุฒาปจายโนยตาโรธรมมาวทฏนติอายุวโนสุขังภาลังเวราถามถามทีละข้อเนี่ย แม่เป็นคนเดียวกันถ้าถามหลายข้อแล้วมันจำไม่ได้มันตอบไปแล้วมันมีมคำถา